พระเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกเทวสภาสุธรรมมาเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดถึงประวัติของเท้าสกาศเทวราชหรือพระอินตามที่เล่ามาแล้วโดยมาก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 ด้วยแก้วมณีเสาสำเร็จด้วยทองบาทเสาหรือธรรมักคาต ก, กะและคอรับคือสำเร็จด้วยเงินรูปสัตว์ปลายสำเร็จด้วยแก้วประภาสนางตรันหรือโคปานาสีไม้ค้าโครงหลังคาคันถวยหรือปคาปัสะขอบมุกสำเร็จด้วยรัตนเจ็หลังคามุงด้วยกระเบื้องอินทนินโบกด้วยทอง โดมยอดสําเร็จด้วยรัตนะ์ตรงกลางเทวสภามีธรรมมาตมีรัตนบัลลังก์กลางกั้นสเสวตฉัตรเป็นที่พระผอมชั้นสูงลงมาแสดงธรรมหรือพระอินทหรือเทพผู้รู้ธรรมแสดงธรรมถัดมาเป็นที่ประทับของพระอินท์แล้วเป็นที่นั่งของเทวบุตรผู้เป็นสหายทรรมกุศลร่วมกันมาสาสามองค์แล้วเป็นที่นั่งของเทพผู้มีศักดิ์าใหญ่น้อยถัดกันไปโดยลําดับแต่บางคำพีรเล่า ว, ว่า ตรงกลางเทวสภาเป็นที่ประทับของพระอินทร์น่าจะถือเอาความว่าในวันที่มีแสดงธรรมก็ต้องทามาดไว้ตรงกลางส่วนเวลาปกติตั้งที่ประทับของพระอินทร์มีทิพย์ยะระดาหรือไม้เครือเถาชื่ออาสาวดีส่วนต้นปริชัตตะกะหรือปริชาติเมื่อออกดอกทรงกลิ่นหอมขจจก็จะมีลมทิพชยพัดมาเด็ดดอกปริชาต แล้วมีลมรับดอกไม้ให้ปลิวเข้าไปในเทวสภามีลมกวาดดอกก่าวออกมีลมเกลี่ยดอกใหม่มีลมบรรจงจัดช่อกรีบและเกสรให้งดงามชวนชมพวกเทพพากันคอยและดูผัดใบของต้นปาริชาตเพื่อจะได้ประชุมรื่นเริงในคราวต้นปาริชาตออกดอกบานสะพังเต็มที่คมภีต่างชั้นอัตถกถาดีกาที่พนาณาเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึง เป็นคำพีที่เขียนขึ้นภายหลังพุทธกาลมานานเช่นอัตถกถาธรรมบทก็เขียนขึ้นภายหลังพุทธกาลประมาณ 1,000 ันปีคำพีดีกาต่างๆเขียนขึ้นภายหลังจากนั้นและส่วนใหญ่เขียนในลังกาเมื่ออ่านดูหลายคำพีสอบกันก็พบข้ อ, อที่กล่าวไม่ตรงกันหลายแห่งและความบางเรื่องดูจะขัดกันในตัวก็มีเช่นบ้านเกิดของมคคมานกว่ามัจฉามก็มี อ จ, จะละขามก็มีต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดินคือต้นปาริชาตบางคำพีแสดงว่าเกิดขึ้นเมื่อมค้ามานกไปเกิดเป็นพระอินเพราะเหตุที่เมื่อเป็นมนุษย์ได้ปลูกต้นโกวิลาละหรือทองหลงังเพื่อเป็นร่มเงาแก่ประชาชนจึงไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่มีอยู่ก่อนเมื่อครั้งบุประเทพคืออสุรครอบครองอยู่แต่บางคำพีเล่า ว, ว่าพบดาวดิงบนยอดเขาสินเนรุและพบอสุรใต้เขาสินเนรุ มีที่ปะยะสมบัติต่างๆคล้ายคลึงกันตลอดถึงต้นไม้ประจํำพบทั้งสองนี้ก็คล้ายคลึงกันจนถึงพวกอสุรเมื่อถอยลงไปตั้งเมืองอยู่ใต้เขาสินเนรุแล้วก็ยังเครือนเคลือไปว่ายังอยู่ที่เมืองเก่าของตนบนยอดเขาสิเนรุกล้นเมื่อถึงฤดูต้นจิตตปาลีออกดอกได้เห็นต้นจิตตปาลีแล้วจึงรู้สึกขึ้นว่าไม่ใช่ต้นปาริชาติเกิดความเสียดายเมืองเก่าของตนจึงยกกันขึ้นไปเพื่อจะจึงเอาเมืองเก่า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 ในอัตกถากูลาวกกระชาดกยังได้นําเอาเรื่องมัคคับมานพไปเกิดเป็นพระอินทมากล่าวว่าเป็นชาติอดีตของพระพุทธเจ้าชาติหนึ่งเรื่องพระอินท์ตามที่เล่านี้จึงกลายเป็นไม่ใช่พระอินองค์ปัจจุบันแต่กลายเป็นพระอินในอดีตกาลนานไกลแต่ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระอินองค์หนึ่งสิ้นบุญจุตีไปก็มีพระอิน์อีกองค์หนึ่งเกิดสืบแทนกันไปบางคัมภีร์ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ได้วยว่า ผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระอินท์ทุกคนจะต้องเป็นคนชาวบ้านอาจละขามไม่แควนมคตและทําบุญเช่นเดียวกับมค ะ, ะมานพคราวนี้กรมาย้อนพิจารณาดูถึงความประพฤติของมะขะมานพท่านพน า, นาถึงมค ะ, ะมานพว่าแผวฐานที่ดินสร้างถนนหนทางเป็นต้นเมื่อมีใครมาแย่งที่ก็ไม่หวงย้ายไปแผวฐานที่อื่นต่อไปทั้งหมดเข้าลักษณะผู้ที่สร้างความสุขให้แก่ประชาชนสมเหตุสมผล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 จะให้มีการเลี้ยงต้อนรับแต่พระอินทร์ต้องการจะครอบครองแต่ฝ่ายเดียวทั้งหมดจึงออกอุบายให้ผู้อสุระดื่มสุราจนเมาหมดความรู้สึกแล้วช่วยกันจับทุ่มลงไปนอัิกาถาสั่งยุตะยังเล่าว่าเมื่อผู้อสุระฟื้นคืนสติขึ้นแล้วรู้ตัวว่าเสียเมืองไปเพราะสุราจึงตั้งกติกากันว่าจะไม่ดื่มสุรากันอีกต่อไปแต่ก็เสียเมืองไปเสียแล้วและเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่า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 ฉะนั้นเทวดาจึงมีเวลาสิ้นบุญต้องจุติบางทีจุติก่อนกำหนดก็มีท่านว่าเหตุอย่างหนึ่งได้แก่เพราะมัวเล่นเพลินจนลืมมริภพ ค, คือเพราะเมาวสวรรค์เกินไปนั่นเองวัตตะบทเจ็ดประการเรื่องพระอินทิกล่าวถึงในคำพีชั้นบาลีก็มีเขาเรื่องเช่นเดียวกับในอัตถกถาดีกาท่านรวบรวมไว้สกกาสั่งยุดดังจะเลือกเก็บความมาเล่าต่อไป ครั้งหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในศาลาประชุมที่สร้างเป็นเรือนยอดในป่ามหาวัในใกล้กรุงเวสาลีเจ้าลิชวีชื่อมหาลิเข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเคยเห็นเท้าสา ก, กัดจอมเทพแล้วหรือพระองค์ตรัสตอบว่าได้ทรงเห็นเจ้ามหาลิก็ยังสงสัยกราบทูลว่าเท้าสา ก, กัดจอมเทพที่ทรงเห็นนั้นน่าจะเป็นเท้าสา ก, กัดปลอมเพราะเท้าสา ก, กัดจอมเทพเห็นในญาต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 เมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้ให้ทานโดยสการะขารพฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้าสักกะเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้ให้ที่พักฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าวาสะหรือวาสพะทรงคิดรู้ความทั้งพันชั่วเวลาครู่เดียวฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าสหัสสักะหรือสหัสเนธแปลเหมือนกันว่าเท้าพันตาเท้าสักกะมีอสุรกาญาชื่อสุชาเป็นประชาบดี หรือชายาฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้าสุชัมบดีเท้าสักการครอบครองรัชสมบัติเป็นอิสริยาธิบดีแห่งทวยเทพชั้นดาวดิงฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้าเทวาณบินทะหรือจอมเทพเรซันสั้นว่าพระอินทเท้าสักกาจอมเทพเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนในสมาทานประพฤติปฏิบัติวัตถบท7ประการจึงเกิดเป็นเท้าสักกะคือ 1. เลี้ยงมดาบิดาตลอดชีวิต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 แม้ว่าถ้าเกิดโกรธขึ้นมาก็ระงับได้ทันทีตลอดชีวิตตชักขสูตรทำเครื่องขจัดความกลัวเรื่องเทวาสุรสงครามได้มีเล่าไว้ในคำผีชั้นบาลีหลายแห่งเรื่องมีชื่อเสียงที่ใช้สวดเป็นพระปริศคือตชักสูตรหรือสูตรที่แสดงถึงยอดทุ่งมีความว่าสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเชตวนารามของอนาถบินิกะ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 สั่งพวกอสูรให้พยายามจับพระอินทร์พันธนาการมาอสุรบุรีฝ่ายพระอินทร์ก็สั่งให้พวกเทพจับเวเบจิติอสุรินทร์พันธนาการมาสุธรรมสภาเช่นเดียวกันในสงครามครั้งนั้นพวกเทพชนะอสูรจึงจับเวเบจิติอสุรินทร์พันธนาการมาสุธรรมสภาเวเจิติอสุรินทร์เมื่อถูกพันธนาการห้าตำแหน่งคือมือสองเท้าสอง และคอเป็นที่ห้าถูกนําเข้ามายัางสุธรรมสภาก็บริพาทด่าพระอินทร์ด้วยถ้อยคาหยาบช้าต่างๆทั้งในขณะที่เข้าไปและออกมาพระมาตรีเทพสารถีทูลถามพระอินทร์ว่าทรงอดกลั้นได้เพราะกลัวหรือว่าเพราะอ่อนแอพระอินทร์ตรัสตอบว่าทรงทนได้ไม่ใช่เพราะกลัวไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่วินยูเช่นพระองค์จะตอบโต้กับผู้ผ่านได้อย่างไรพระมาตรีทูลว่า ผู้พานจะได้กำเริบถ้าไม่กำราบเสียเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงกำราบผู้ผ่านเสียด้วยอาทยาอย่างแรงพระอินตรัสว่าทรงเห็นว่ารู้ว่าเขาโกรธแล้วมีสติสงบได้นี่แหละเป็นวิธีกำราบผ่านพระมาตลีได้ทูลแย้งว่าความอดกลั้นดังนั้นมีโทษคือพาลเข้าใจว่าผู้นี้อดกลั้นเพราะกลัเราก็ยิ่งขมเหมือนโคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่พระอินก็คงยังตรัสยืนยันว่า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 ก็กล่าวถึงพุทธโอวาสต่อไปว่าเท้าสักกาจอมเทพยังกล่าวสารเสริญขันติหรือความอดทนและโสรัจะจหรือความส ง, งียมภิกษุทั้งหลายก็พึงมีขันติโสรัจะจึงจะ ง, งดงามเรื่องนี้สารเสริญคุณของขันติในคำตัวตอบการแฝงกติธรรมที่น่าพิจารณาคือถ้าดูอย่างผิวเผินก็รู้สึกเพียงว่าพระอินทร์ทรงมีขันติเป็นอย่างดี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 ชักชวนท้าวสักกะให้เอาชนะกันด้วยสุภาษสิทธิหรือธรรมยุทธ์ทั้งสองฝ่ายตกลงกันตั้งปริศชะเป็นผู้พิจารณาตัดสินทํานองอนุโยโตโ ต, ตุราการกระมังเวปจิตติอสุรินเสนอให้ท้าวสักกะทรงกล่าวขึ้นก่อนฝ่ายท้าวสักกะทรงเสนอให้เวปจิตติอสุรินรกล่าวขึ้นก่อนเพราะเป็นปุพาเทพหรือเทพอยู่มาก่อนเวปจิตติอสุรินได้กล่าวว่า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 พวกปาริสัตย์ชาของเทพและอสุระได้ลงความเห็นว่าคําของเวปจิตติอสุรินเป็นทุพภาสิทธ์เพราะแนะนําให้ลงทันให้ลงศาสตราบุธให้ทะเลวิวาทบาดหมางส่วนคําของเท้าส ก, ก๊าเป็นสุภาสิทธ์เพราะแนะนําให้ไม่ลงทันไม่ลงศาสตราบุตรไม่ทะเลวิวาทบาดหมางจึงตัดสินให้เทา้าส ก, ก๊าชนะโปรดติดตามรับฟัง4 5รษาของพระพุทธเจ้า พระนิพนธ์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป